ต่อ 5 กุมภาพันธ์ 2530ณพุทธสถาน เราได้อธิบายกันมาถึงการเน้นในเรื่องของในเรื่อง อย่างสมมุตินั้นเป็นอย่างไรอย่างปรมัตถสัจจะ สุญญตามันก็หมดศูนย์เมื่อผู้ปฏิบัติถึง น่ะเป็นสมมุติสัจจะน่ะจะๆนั้นอยู่อยู่อย่างนั้นน่ะที่เราเห็นได้ที่ว่าสุญญตานั้น เป็นกรรมกัมมโยนิกัมมพันธุ์ธุกัมมปฏิสารโนมันเป็นตัวกรรมที่มันยังเกิดอยู่กัมมโยนิกรรมเป็นกำเนิด แล้วมีอะไรถ้าเป็นสมณะสูงสุดเป็นธรรมนะเหล่าที่ 4 ก็มีอายุยังมีอายุยังมีการยังเป็นไปดําเนินไปเรวคัตติหรือคะโตยังเป็นผู้ดําเนินไปอยู่แต่ดําเนินไปได้แล้วจึงเรียกว่าอย่างพระก็เรียกว่าผู้ดําเนินไปอยู่นี่ยังเป็นดําเนินไปอยู่ยังไม่ตายยังมีอายุมีอะไรเป็นเครื่องแสดง มีความยินดีมีความมีน้ำใจมีความเอาใจใส่มีน้ำใจ 4 ตามหัวข้อหลักๆอิทธิบาท 4 นี่เป็นเครื่องแสดงว่าโอ้นี่เป็นสมณะนะ มีพูดเป็นสภาพที่เพื่อนผู้มีความเอาใจใส่ไม่ใช่เป็นคนลอยๆเป็นคนดูดาย เป็นฐานะแห่งผู้มีฤทธิ์มีฤทธิ์ทางศาสนาพุทธนี่คือมีการ อ่ามีศีลเป็นผู้ที่ดูได้ว่าเป็นคนมีศีลคบคุณกันก็รู้ว่ามีด้วยมีวรรณะอย่างนั้นอ่ามีสุข เป็นฌานไม่ใช่รูปประฌานอรูปประฌานที่ต้องเป็นนั่งสะกดจิตเอาแล้วก็ไปติดอยู่ซึ่ง รูปอย่างไรกินอย่างไรรสอย่างไรเสียงอย่างไรคนไหนเค้า ที่ตัวนั่งทําเอาแต่ก็มีทําได้ถ้าเผอผู้ทําได้ผู้ที่หัดเจโตสมถะได้ก็ได้ มันมีเป็นธรรมดามีเป็นธรรมดานอนหลับนี่มันก็เป็นอยู่ในภพเรานอนหลับเมื่อไหร่หรือว่า หัดคิดพอบ่ได้หักสัมมาสังคัปปะมาพร้อมคิดมีการดําริมีการนึกคิดที่ดีเป็นกุศลอย่างกุศลได้ถึงพร้อมไม่ มันไม่อาจจะเป็นพระอรหันต์ที่ไม่ได้นั่งทําเจโตสมถะเอามีก็ว่ามันเป็นการ ประสงค์ให้ผู้อื่นๆขวนขวายช่วยเพราะว่ามันฐานะตามความเป็นไปได้ของตน เกื้อกูลผู้อื่นด้วยการช่วยคฤหขนช่วยเค้าให้เค้าพ้นทุกข์อย่างที่เรา 4 มีโภคะอย่างนั้นจริงๆ มุทิตาและอุเบกขาวางก็ปล่อยนะเมตตากับกรุณานั้นเป็นจิต ที่เป็นเครื่องแสดงของโภคทรัพย์แท้ๆก็คือจะเป็นคนมีประโยชน์ท่าน อาสายจะว่าปิติมุทิตาคือมุทิตาเนี่ยก็มีมุทิตาเนี่ยมันปิติมันเป็นอาการเต็มมุทิตาก็ยินดีแต่มีเหตุปัจจัยต่อ แต่คนที่ไม่มีกิเลสแล้วนี่จะยินดีกับผู้อื่นที่ได้ดี มีปัญญาที่ไม่โมหะรู้ว่าควรจะยินดีกับผู้ ยินดีด้วยที่ผู้ที่ได้ดีเป็นกุศลที่แท้ไม่ใช่กุศลอันยังไปเป็น ส่วนละเอียดละเอียดสูงๆขึ้นก็อาจจะเออะไรบ้างเล็กๆๆตามเขาเท่านั้นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ ฟังตัวไอ้อนุโมทนาหรือตัวมุทิตาอนุโมทนากับตัวเดียวกันนั่นแหละอนุโมทนาโมทนากับมุทิต จังกว้างๆอย่างเห็นมากๆสมบูรณ์น่ะเป็นกลางๆปิติเนี่ยเป็นอาการบางทีก็เป็นกิเลส ไทนเสพความยินดีอยู่อ่าเป็นวิสัยที่เป็นโดยที่เราไม่รู้วิสัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ แล้วเราก็ลดมันได้ตามที่ตามที่เราเข้าใจแล้ว เพราะอาศัยมันเหมือนเหมือนมันมีรูปนามขันธ์ 5 มันมีแขนมีขาเราก็อาศัยมันแต่อย่าไปหลงว่าตนนี้เป็นตนตนนี้เป็นของเราที่จะต้องอยู่กับมันนิรันดร์ สมมุติสัจจะจึงลึกซึ้งขึ้นไปหมดแม้ที่ เป็นกําลังที่จะต่อสู้กับโลกีย์นั่นแหละเป็นกําลังหลักเป็น มีฤทธิ์ นะอิปุเพนิวาสานุสติญาณมีจตุตูปปาตญาณมีอาสวักขยญาณนั่นมีปฏิสัมภิทาญาณ 4 อ่ามีอัตถปฏิสัมภิทาญาณมีมีนิรุตติปฏิสัมภิทาญาณมีปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณมีปฏิสัมภิทาญาณ 4 อีกด้วย ก็จะเป็นผู้ที่มีกำลังมากจะเป็นผู้ที่มีกําลังมากสามารถรื้อขนสัตว์ช่วยเหลือเป็น ยังกุศลนี้ถึงพร้อมแม้เราจะเป็นจะมีผู้ที่ท่านไม่มีกิเลส อย่างนั้นสร้างโภคทรัพย์เป็นผู้ร่ํารวยอย่างนั้น มีวรรณะสูงขึ้นไป อ่ามีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาน้อยๆๆมีๆคลือๆกับคนอื่นหรือมีฌานมีสุขอ่าเป็นสุขอุปุสมโภสุขๆนี่ก็ดูออก ก็ดูออกยากดูออกยากอาจจะดูว่าเอ๊ะเหมือนมีนิพพานนะเหมือนท่านมีนิพพานดูออกยากแต่จริง เหมือนกับพระอรหันต์เจ้านี่ยิ่งมีความเหมือนกับรูปกรุณามุทิตาอุเบกขาถ้ามีน้อยๆก็ดูยากถ้าๆก็เห็นชัดมีพลัก กระดิษฐ์เดดอย่างอาตมายืนยันพวกเรานี่มีฤทธิ์นี่มีหมู่รวม เดี๋ยวนี้พวกอโศกนี่เค้าเข้าใจแล้วว่านี่เลี้ยงยากแหมต้องมา แต่ความจริงมันลึกซึ้งเข้าไปอีกเด่นหรอกพวกเรานี่เป็นกลุ่มเป็นหมู่ใหญ่มั้ยเด่น ซ้อนเกินไปมันก็มีค้านแย้งคนที่ไม่จริงมันก็มีตัวที่มัก จอบแบกเสียมไปเชียวมาแบกมีดแบกพราพแบบเทดักเทดฟันเค้าเรื่อยเออขัดเกลาเค้าเด่นแม้มีแต่เอาแต่ศีลศีลประเภทที่มี หมู่ฝูงพาเป็นเป็นจารีตเป็นประเพณีแต่แท้จริงแล้วไม่มีผลถือศีลแบบ แต่พวกเรานี่หลายคนก็รู้รู้อยู่ว่าเราทองต่างๆนานาสารพัดพวกนี้หัดใช้ให้ คนอยู่ในฐานะคฤวาสจะต้องหยิบจับไปแลกไปเปลี่ยนไปซื้อไปขายอะไรยังไม่มีศีลบอกว่าไม่ต้องใช้เงินฉันจะถือ รู้จักจิตจักใจตนเองรู้จักกิเลสตนเองให้อ้าวอนุโมทนาเรายังไม่สูง เนี่ยเราจะเข้าใจคนนี้ท่านเค้าสูง 10 สูงแล้วแม้แต่ในศีลยังไม่ได้สมาทานแต่มันก็เป็นไปโดยธรรมนะเราเลยเพราะ เราจะกู้กูลกันอย่างนี้ด้วยอนุเคราะห์กันอย่างนี้ด้วยนะไม่ใช่เราซุ่ม หมื่นล้านอาจจะซื้อเกาะๆนึงไม่ได้จะไปอยู่เกาะนั้นกันอันนี้ก็พูดเล่นนะนะพูดนิยายนะใครจะไปเอา มันสภาพที่ปฏิบัติธรรมนี่มันจะ เพราะผู้ที่ยิ่งถึงปรมัตถสัจจะไม่ใช่ผู้ไม่เอาศีลไม่เอาวินัยผู้ยิ่ง นะอย่างอาตมานี่ทําผิดศีลผิดวินัยพวกเราก็จะรู้ ท่านก็ไปโปรดพระนางพิมพ์พาพระนางพิมพ์พา หรือท่านจะแสดงฤทธิ์แสดงเดชอะไร แต่ท่านก็ไม่ได้ทํามากหรอกในสิ่งที่จําเป็นที่สุดเป็น ยังอาตมาพาคุณดูหนังเงี้ยอาตมาก็ดูหนังอาตมาก็ทําเพลงเงี้ย มันเป็นสติวินัยแล้วมันไม่มีอบัติแล้วโดยประมาทสัจจะมีสติเข้าใจว่าเราทําอะไร แต่ด้วยความอุตสาหะด้วยซ้ําถ้าจะว่า แต่คนลုံးก็คนหลอกต่างกันนะคนลုံးนี่ไม่รู้ตัวทําละเมิด จิตลามกรู้ทั้งรู้ว่าเราเองนี่ไม่ได้บริสุทธิ์เลยและแอบแฝงเสพละแก่ตัวจรรย์ใดน่ะคนนั้นก็ อันนี้ไม่ไปถือเป็นกรรมเป็นบาปแต่มันมีบาป แล้วคุณก็ทํากงจักรคุณนึกว่าเป็นดอกบัวแล้วคุณบอกว่าคุณไม่ได้ แต่ไม่ใช่ไม่มีกรรมที่ไม่มีผิดไม่มีถูกเลยมันมีกรรมที่ มันยังเป็นความไม่รอบท้วนของผู้นั่นเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอะไรกันมังวะสามินี่อะไรขอรว่ะเรื่องเจตนาหังพิ Lebanon gn wan เจตน milhões jadiเป็นตัวก เจ Krishna Loud เจตนาเป็นตัวกรwir나 starvingit todoastuh практиестеints�나 주세요 owners teeth偷看 Sixani returns Her enemies oh Shaun thetez Steuer in handOld cities in vain kami grammar幾 cohort commitments. gewinnная could be theest a magic animal and fig 91 แสดงในความลึกซึ้งของเจตนาเป็นตัวกรรมนั้นถ้าทําผิดด้วยถ้าผู้ใด ท่านสอนอาบัติไม่ถือเป็นเอาอาบัติเพราะเจตนาที่จิตไม่มีเพราะฉะนั้นผู้ใดยังหลงผิดอยู่ยังคุณเหยียบวัด บรรทัดฆาตมาลาอยู่แล้วมันมีตัวเจตนามันเป็นกรรม รู้อยู่นิดๆเลยว่า อ่าใครถามก็ตอบโกหกกลับคําอย่างนี้เลยมันก็ยิ่งบาปซ้อนซ้ํา คนที่โกหกทั้งๆที่รู้แล้วนี่ท่านบอกว่าเพราะฉะนั้นคนใดที่โกหกทั้งๆที่รู้อยู่นี่แล้วยัง คำตักอันนี้พระเจ้ายืนยันนี่มันแหมอีกไม่ได้นั้นเป็นไม่มีใน พระท่านบอกว่าเรา มันเป็นสัจจะทั้ง 2 สิ่งทั้ง 2 อย่างทั้งสมมุติและปรมัตถ์ ทำละเมิดๆนั้นๆเราไม่พึงรู้พึงเห็นเพราะเป็นเรื่องที่อจินไตยเราอย่าไปฟืน ถ้าจะเปภาอรหันต์จริงแล้วอย่าไปเอากฎอาหรับไปเอาวินัยอะไรไปไปไปถือ จิตผู้ใดจะยกรู้จิตผู้ ใครจะยกให้ยกไปใครจะยกให้ยกไปใครไม่ยกก็ไม่เป็นไรมันเป็นจริงตามจริงนะคนที่บอกว่าทั้งๆ ว่าตลอดชีวิตชานี้อาตมาไม่ต้องมีปัญหาไม่ต้องยกให้อาตมาใครจะยกไม่ยกมันเป็นเรื่องถือถือๆต่อสุทธาโอ้มั่นใจอยู่ไปด้วยกันเถอะจะรู้แล้วก็เป็นเองก็จะ มันถือมันสาอยู่มันก็เป็นของมันจริงไม่ต้องไปอยากได้เค้าไม่ต้องมาพูดด้วยปากเรา สมมุติอาตมาจริงน่ะสาอาบริสุทธิ์จริงน่ะเค้าไม่เห็นหรอกเค้าเห็นมันมันบริสุทธิ์งามผ่องจนกระทั่งทําไม่มีอะไรบอกตรงๆว่า ยังไม่เชื่อมือว่าตัวเองจะทําให้งามบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่ <นะ. S 1> น่ะเป็นๆใครตอแหลก็เป็นจริงเป็นกรรมกรรมเป็นกรรมอันเป็นจริงเป็นอันตัมใครจะผู้ใดที่ยิ่งบาปยิ่งหนามันก็ยิ่งปุถุปุถุลงไปจริงเป็นสัจจะนะอันนี้ได้ขยาย เราฟังธรรมกันไปนี้ได้ฟังธรรมะเป็นอภิธรรมเป็นเรื่องจิตเจตสิกปรมัตถสัจจะอะไรต่างๆนานาสูงยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยอธิบายพวกนี้เป็นภาษาสมมุติสัจจะก็จริงแต่มันเป็นการอธิบายวิเคราะห์สมมุติสัจจะเองซึดอธิบายสัจจะนั่น มากมายเรียนรู้กันเต็มๆหูเต็มหัวเป็น ก็ไม่ได้มีชาติของจิตเกิด ไม่ต้องพูดถึงขนาดสลัดย้อนกลับแม้แต่แค่ธรรมดาทิฐิเดียวเห็น อนุปัสสีตามเห็นเห็นเห็นด้วยญาณทิพย์ของเรารู้เห็นจริงๆเลยเป็นอาการเป็นนิมิตที่ชัดไม่ใช่นิมิตปาง ฌานะโตปัสสโตวิหรติเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันจริงๆเลยรัดๆนี่ไม่ใช่ไปนั่งคิดเอาไม่ใช่ปุเพนิวาสานุสติญาณเท่านั้น เลวฌานนี่คือฌานมีมุทธภูเตกรรมนิเยทีเตอเนนชัพพัตเต จะเห็นของตนเองเลยเป็นอนิจจานุปัสสีแม้ นี่เห็นการเกิดการลดการจางการคลายตีแตกตีแตกเมื่อใน กิเลสมันโตขึ้นนะรู้ตัวว่าเป็นปุถุรู้ว่ากิเลสมันหนาขึ้นนั้นอย่าง จะว่าเข้ามาเข้าทางก็เป็นทางรู้เป็นความรู้ที่จริงตามกับเป็นยถาภูตญาณทัศนะเหมือนกันเป็นญาณที่ พลวิชาทิฏฐินี่คือเห็นของๆแม้ๆฟังแนวนี้มันกลับไปกลับมาแล้วยิ่งเห็นว่ามันลดละแล้วเป็นไปด้วยความละนายคลายๆลดน้อยนึงก็รู้น้อยนึงลดมากก็ๆ คือทุกข์นั่นเองเออทนได้แล้วทนได้โดยไม่ยากไม่ลำบากขึ้นมานั่น ดับชั่วคราวบ้างดับอะไรบ้างก็นี่แหละก็ตามธรรมดาของวิภังอ่าวิคัมภนะปะหานตตังคะ ทุกนี้มีเหตุมีปัจจัยนั้นอยู่หมดติดหมดจิต หมดติดหลงไม่เป็นอภินิเวสายะนะไม่เป็นอภินิเวสายะไม่ปักหลักลงแหล่งไม่ติดตายติดตังค์ไม่ติด ยึดอย่างเจนจับถือสับอย่างเจนจิตแต่ไม่ติดหลงนะ คุณก็ไปทําจริงๆนะอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าอนิจจานุปัสสีนปเอ่อวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสสคานุปัสสีนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่เห็น เราเห็นเรารู้เองจริงๆอหเมตังณชานามิอหเมตังนปัสสามีติคนอื่นคนใดไม่รู้ไม่เห็นด้วยเราเรารู้ของเราเราเห็นเรา เพราะคนที่ไม่ได้ มีผลของปรมัตถสัจจะโดยเฉพาะจิตเจตสิกรูปนิพพานมันลดละกิเลสได้จริงแล้วไม่ไม่รู้เรียนภาษารู้พูด พอนี่อธิบายปรมัตถสัจจะอุตตรมุนุสสธรรมแล้วเนี่ยแล้วมันก็พาเพี้ยนคนที่อวดเก่งประเภทที่ไม่จริงแล้ว มันนำมานาแล้วมันไม่ได้เพิ่งมีมา 100 ปีนี้มันหลายร้อยหลายพันปีมา แล้วก็ หรือผู้ๆยิ่งจะๆฤทธิ์นี่ล่ะเป็นฤทธิ์ทางธรรม พาคนละเลวได้อย่างชัดมีหมู่ละเลวได้ชัดๆนี่ก็เป็นเออมันละเลวมันมีศีลมีธรรมแม้จะโดยเค้าบอกว่า ใจมันยังไม่บริสุทธิ์ นอกจากว่ามันไม่เอาฐานจริงๆทําไมมัน คนที่ไม่ได้พบศาสนาพุทธเลยพบล่ะพบที่พบอย่างผิวเผินพบสิ่งที่ผิดแล้วก็ไปยึดเอาสิ่งที่ ในอริยสัจวมรรคโนตัญโญที่จะพาผู้ปฏิบัติ นะ 25 ข้อ 30 และ 10 ข้อ 138 นะพระพุทธเจ้าทรง 10 ไม่มีรัฐที่อื่นน่ะในไมอย 8 อย่างนี้แล้วก็มีสมณะศีลเหล่าอย่างนี้ปฏิบัติถูกทางอย่างนี้ไม่ 8 นี้จะ 4 เหล่าหรือ 8 อย่างละย่อยละเอียด ว่างเปล่าจาก 8 ละทิพย์อื่นจึงว่างเปล่าจากสมณะสีเหล่ามันมีแต่เนี่ยศาสนาหรือแม้แต่ในพุทธเองเนี่ยพอบอกว่า มันแยกแยกไม่ออกมันไม่ละเอียดละออมัน ขนาดนี้เนี่ยอธิบายมาขนาดนี้อาตมาก็ว่าอาตมาอธิบายเก่งมากแล้วนะมันก็ยังรู้อยู่ว่ามันยังไม่เก่งเท่า แม้แต่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายมีโลกธรรมโลภ อบายมุขศีล 5 5 อธิศีลของศีล 5 ขนาดนี้ 1 โสดา 2 โสดา 3 โสดาก็มีตามประมาณได้น่ะไม่ไม่มีปัญหา พรหมโสดาหรือจะเป็นเอ่อ ถึงเข้าใจไม่ง่ายนะอาตมากําฤจอธิบายยังไงทํา 2 หน่วยแล้วนะถ้าเป็น 3, 3, 3, 3 เที่ยว 2 หน่วยนี้ 2 6 แล้วนะ 7 แลนะนี่ 2 เท่านั้น ถ้าเป็นภาษา 85% ขึ้นเออชัวร์แน่ใจ 85% ขึ้นไปคล้ายๆอย่างเลข 7 เนี่ยสัตตกตุปปรมโทดาเรียกว่า 7 ขนาดคุณภาพ 7 แต่ 7, 7 ได้ อาจ 2 ชาติ 3 ชาติหรือว่าเกิดอีก 2 ชาติ 6 ชาติเรียกว่าโกลังโกละถ้าเอกภิชีก็หมายความว่ามันส่วนเอกภิชี นะเกิดจากท้อง 3 ชาติหรือ 5 ชาติแต่แม้ความเพียรของ แท้จริงเราๆเลยยังไงก็เป็นอรหันต์เพราะแต่ไอ้กปิชชีเนี่ยไม่ได้ ความตั้งใจดีปฏิบัติถูก เอกภิชีนี่มันเด็ดตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าไป ok. 3 ชาติ 5 ชาติเราเพียรได้เป็นเอกภิชี ก็เกิดไป 3 ชาติเต็มอีก 2 ชาติจะ 20 นี้เราไม่ เอาหน้า 19 อ่านไปแล้วนะว่าปทัพพะปรมัตถ์ผิดๆๆไป ซึ่งได้ศึกษาพระพุทธพจน์มาก็มากกล่าวก็มากจำทรงไว้ก็มากกล่าว 2 เป็นผู้ได้พบพระพุทธศาสนาได้ศึกษาศาสนาพุทธมาตลอดชีวิตด้วยแถม ราชบัณฑิตน่ะเป็นถึงขนาดเค้าให้ดุษฎีบัณฑิตในทางศาสนพุทธศาสนาเป็นถึงขนาดเค้ายกย่องเป็นอาจารย์ใหญ่ตายเน่าตาย มันไม่ถูกมันมันไม่จริงไปปฏิบัติเป็นฤาษีเป็นอะไรต่ออะไรที่มันเพี้ยน พูดได้มากถกเถียงโอ้โหคนๆสู้ไม่ได้พระ 10 ทิศผู้ 10 ทิศแล้ว พระพุทธเจ้าท่านอธิบายนี่มันน่าตลกนะเหมือนกามนิตที่เค้าถอดมาเป็นเรื่องกามนิตหนุ่ม กามนิตเอ๋ยก็ยังมีกามนิตอยู่ตลอดนิรันดร์เดี๋ยวนี้กามนิตก็ยังมีอยู่คลายลวาสิทธิธิก็ยังกามนิต แต่กามนิตนี่ไปเอามาจากพระตปิฎกอยู่เรื่องนึงเรื่องที่ชื่ออะไรไม่รู้ใครรู้จักชื่อ ไม่ใช่หมายความว่าเรื่องกามนี้นี่คือเป็นเรื่องที่มีธรรมะสูงสอนให้คนแล้วก็ นะกามนิโรธธรรม เขาก็ได้กล่าวก็มากจําทรงไว้ก็มากด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าถูก และหลงยึดถือเป็นสมาธิทิฏฐิกันอยู่อย่าง ซ้ํามีหนําหลงดูถูกดูแคลนหรือหัวรอยเยอะผู้บรรลุมรรคผลที่จริงเอาเสียด้วยก็คงไม่ต้อง มันหนาเข้าดูถูกดูแทะผู้บรรลุมรรคผลกันเห็นต่างกันเห็นกลับกันมีมานะยิ่งถือดี แต่แคร์ต่อโลกกตธรรมแคร์ต่อโลกียสุขได้ชัดเพราะคน เขาไป ได้รู้จักอโศกนี่นะเขาจะไม่ต่อต้านอโศกถ้าคนที่มีญาณดีนะเขาจะรู้ยึดผิดๆนะยิ่งเป็นปริยานาครบด้วยยิ่งมี จริงๆไม่รู้มรรคผลจริงเพราะหนักเข้าก็โดยกลายเป็นอีกทิศทางนึง ก็ทําตนให้ทวนกระแสโลกออกโลกธรรมอยู่นั่นเองเพราะ คุณคนหนึ่งหรือเปล่าที่แคร์ว่าจะไม่ได้มรรคผลมันจะเพียรแล้วมันก็จะแสวง ทีนี้แห่ต่อไปมีนําซ้ําบาง โมหะแก่ตนเป็นที่สังเวชอยู่นั่นเอง เสบล นะนี้มีหลง ก็ใช้ความเฉลียวฉลาดนั้นเป็นชั้นเชิง แล้วกล้า 10 ข้อที่ 10 ชาวพุทธเช่นนี้ก็มีจํานวนไม่น้อย มีเหมือนกันบางคนใจมั่นใจว่าตัวได้จริงๆเป็นบอกถ้าให้คุณไปถามนะไป เชื่อมั้ยให้คุณไปถามเขาอาจจะรับว่าคุณผมนี่แหละบรรลุถ้าให้ผมไปถามนะต่างกันละเขาจะมังกรเขาจะเก้อยากว่าไอ้คนนี่เดี๋ยวมันรู้เว้ยเดี๋ยวมันหยั่งรู้มันยัดจริงๆ อ่าก่อนยิ่งเคารพอะไรกันได้ไปเจอบางพระบางรูปเนี่ยโอ๊ยเค้าคุย เพราะโกหกกันต่อก็ยิ่งอลัชชียิ่งขึ้นยิ่งน่าด่านยิ่งขึ้นยิ่งไม่อาย เดี๋ยวพุทธเจ้าก็จับเอาหัวจิ้งขี้ตายเท่านั้นแหละแล้วมาทําเป็นเล่นไปได้ใช่มันก็ยิ่งพระพุทธเจ้าท่านยิ่งอย่างรู้ยิ่งรู้ยิ่ง ชาวพุทธชั้นนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยชาวพุทธที่หลง กระทำทีทำท่าเค้ามาถามว่าท่านเป็นหรือเปล่าคนนั้นคนนี้เค้ากล่าวแล้ววู้ยพองใจชื่นชมสอนนะ แต่ใครไปถามว่านั้นท่านเป็นอรหันต์หรือเปล่าพูดไม่ได้ไม่พูดกันหรอกอาตมาไม่เป็นอรหันต์หรอกเนี่ยทําเป็นพูดส่งตัวเดียวกับพาไปทัวร์อรหันต์อ่านมัสสทรงนะอ้าวท่านพาไปชมอรหันต์อ้าวถ้าก็ต้องรู้อรหันต์สิท่านทําไมไม่พูดทําไมพูดลูกศิษย์กระซิบๆๆจะไปพูดท่านครบๆ คณะฤาษีดิงดำเนี่ยแต่อรหันต์ เขาว่างั้นเลยสอคนอื่นพา เอาก็เอาจริงๆเหล่านี้อาตมากล้าพูดอย่างนี้ก็เพราะว่า อ่าว่าผู้ที่ปฏิบัติปรมัตถ์ประเภทต่างๆที่ว่ามาเนี่ยมันมีมากไป ที่จึงรู้ 3 ประเด็นเท่านั้นเองคนพวกเหล่านี้ คนที่โง่นะก็วกน่าสงสารเขาอันนี้จะจะขยายความในนี้อ่ะพูด นะผู้อย่างนี้คล้ายๆกับว่าตนดีอยู่คนเดียวรู้อยู่คนเดียวคนอื่นไม่ จึงจะมีพระอริยะเป็นขั้นเป็นระดับ 4 นะก็จะรู้ว่าทฤษฎีของพระ และคุณปฏิบัติมรรค สีระดับที่ท่านบอกว่าระดับอื่นที่ไม่ชัดเจนโดยมรรค 8 ปฏิบัติอย่างมีขั้นมีตอนมีศีลสมาธิปัญญามีฐานะงามในหลักเกณฑ์เอา อ่าองค์นี้บรรลุอรหันต์แล้วองค์นี้อนาคามีแล้วองค์นี้สกิทาแล้วองค์ นะส่วนที่จะพยากรณ์อีกนั้นไม่พยายามแล้วไม่ประสงค์จะพยายาม ลวงตับกินไส้เรานึกว่าโอ้โห โอ้โหนี่น่ะแม่สั่งแม่สอนมาสื่อๆหน่อยยิ่งระวังดีๆนะลูก เพราะฉะนั้นอย่าประมาทเลยพอเดี๋ยวเราสวยเปล่าๆมันไม่ได้ดิบได้ดีอะไรเราไม่เก่ง ถ้าไม่พยากรณ์ไปทั้งหมดจะเห็นได้ว่าทําไมเป็นพยายามพยากรณ์ไม่พยายามพยากรณ์นะจะเห็นได้ เอาล่ะอาตมาได้บรรยายอะไรอะไรมาพอสมควรแล้วมัน โลกวิตรอนุตโรสัพพริสธรรมัสสารทิน่ะ โลกวิทูเนี่ยส่วนมากส่วนใหญ่เค้าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้า ทางโลกโลกโลกโลกโลกเข้าใจโลกแม้กระทั่งโลกที่เป็นโลกใหม่โลกนี้โลกหน้าที่เรากําลัง โลกอุดรเป็นโลกที่เหนือโลกที่เหนือ โลกอย่างนั้นนั่นรู้แจ้งจนชัดเลยว่ามันไม่ใช่ ดอกก็รู้แจ้งโลกที่เราแต่ก่อนก็เคยเป็นธาตุหลากยศส่งเสริมหรือเป็นธาตุต่างๆนานา ถ้าก็ต้องรู้แจ้งกว่าล่ะเราที่เป็นโลกใหม่ที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบแล้วเราก็มา ไม่ได้ไปหนักหนาวุ่นวายอะไรกับเขาจริงๆแล้วเราก็มาปฏิบัติซ้อนลึกจนกลายเป็น รุดผลออกมาแล้วเราจะทิ้งมันจริงๆมาอยู่โลกใหม่ที่เป็นโลกที่เราอาศัยได้ใหม่เนี่ยมันดีกว่าอย่าง โลกมันเป็นโลกเล็กโลกน้อยอยู่รู้ทั้งนั้นแหละอะไรอะไรรู้หมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นรู้ทั้งเอ่อแบบโลกที่เค้า ถ้าท่านไม่ได้ศึกษา ไอ้ที่มันจะมหัศจรรย์อย่างไรเค้าก็พยายามยัดเยียดให้พระๆเมื่อกี้นี้วันนั้น เป็นความรู้รู้จากโลกนี้โลกหน้าโลกใหม่โลกเก่าโลกที่เป็นโลก การเราที่เราศึกษาโลกทรัพฤติกรรมของโลกอะไรแต่ต่างๆน่ะเราดูหนังดูละครดูโน่นดูนี่ แล้วๆที่เค้าว่าจะเรียกโลกวิทูด้วยว่ารู้แจ้งโลกต่าง ปฏิกรรมมนุษย์นี่แหละโลกที่ว่าเนี่ยคือพฤติกรรมมนุษย์พฤติกรรมที่มันไม่น่า นะแม้แต่ในวิดีโอในหนังอะไรอะไรเราไม่มีเวลาเวลาอะไรที่เราจะไปศึกษาอะไรมากมายกับกองป่านฉะนั้นหรอกนะเพราะการได้ดูอย่างนี้ เพราะเราจะมีเวลามีแรง รีบมาถ้าเราได้ แม้ว่าเป็นความดีนะพฤติกรรมที่มันสร้างความดีอยู่ในอะไรต่างๆที่เราดูมันก็ยังทุกข์แต่ทุกข์มันก็ แล้วเราก็กระทําตามเรี่ยวแรงที่มันมีเวลาพอจะเพียรเราจะอุตสาหะเท่าไหร่เราก็ทําเท่านั้นเองอ่าพอเรา มันก็ๆให้เราได้ศึกษาได้นะเพราะในความหมายของโลกวิถีมาสู่ ศึกษาละลางจางคลายลง เนี่ยมีกรอบมีกรองมารวมกันให้เห็นอย่างชัดเจนเลยมีหลักฐานยืนยันนี่ไม่ใช่อาตมาหลงตัวไม่ ความหลุดพ้นออกมาสู่โลกอุดรอ่ามาสู่โลกอุตตระพ้นจากความเป็นธาตุโลกียะหรือโลกธรรมออก แต่ก่อนติดเอามากติดเอามายอดิเรกอร่อยเอามากเอา มุ่งมั่นที่จะกอบโกยไอ้ มาเสียสละซึ่งก็พูดพูดพูดว่ามาเสียสละมาสร้างสรรค์มาพยายามพัฒนา มากมายอะไรคือไปพิสดารอะไรก็พูดอยู่เหมือนกันน่ะแต่ พระพุทธเจ้าท่านใช้คํานั้นได้จริงๆชัดๆว่าไม่มีใครยิ่งกว่านะพระ แล้วเราก็ไม่มีเวลาครูฝึกครูสอนแบบ แต่อาตมาๆไปเสร็จแล้วก็ไปแย่งลาบยศจังโรง โลกจึงต้องการวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวิทยาลัยยังต้องการความรู้แบบนั้นอยู่ทั้ง I would say มือของคนในสังคมเข้าไปแล้วเค้าก็ต่างคนต่างมี ทฤษฎีสอนปริญญาสอนแต่ความรู้เค้าไม่ได้สอนการกระทําอะไรนักหนา ถ้าได้เรียนภาคทฤษฎีมากๆทฤษฎีสูงๆภาคปฏิบัติน้อย เวลาจะมาปฏิบัติก็น้อยอันนั้นกลับเป็นโรงเรียนชั้นสูงให้ ทำงานก็ตีราคาให้กพก็ตีราคาให้สูงไปเลยน่ะคนที่จะลงมือทําจริงๆนั่นน่ะก็ได้ราคาต่ําไปก็จนนอนก็อยู่ อ่าไม่ใช่มานั่งแต่คิดคิดๆๆๆๆแล้วก็เสียคนอื่นทําคนคนคนคนคน 100 คนมันก็ยิงดีไม่มีปัญหาอะไรมากมายนักแต่คน รวมความแล้วก็อย่างนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็มีแต่ทะเลาะบอกแว้งกันเท่านั้นเองความร่วมมือก็ยังทะเลาะกัน พร้อมวิธีการที่มาสร้างวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแล้วยกชันยกเชิงเป็นศักดินาอะไรต่างๆนานๆเนี่ยทางตะวันตกทางอเมริกาทางอะไรต่ออะไรนี่เค้ารู้แล้วนะเดี๋ยวนี้เค้ารู้ทันแล้วนะเค้าไอ้พวกที่จบได้จะ ถ้าจะมาไปสู่ฝีมือนี่มากกว่าเค้าให้มาลองงานแล้วก็ทําได้ ชักจะรู้ตัวขึ้นมามากมายแล้วจะรู้ตัวขึ้นมามากมายแล้วแต่แต่ก่อนได้หลงผิดตามที่เขาได้หลงผิดไม่เอาที่ เขาอยู่ในฐานนั้นอยู่ในฐานะนั้นเขาอยู่ในฐานะได้เปรียบนั้นเขาอยู่ในฐานะที่ก็จะต้องส่งเสริมอันนะพวกนี้เป็นครูฝึก อยู่กันอย่างอยู่เย็นเป็นสุข ที่พูดออกมาไม่ได้เนี่ยมันเห็นอยู่เนี่ยว่ามันผิดๆๆมันไม่ถูกมันไม่ถูกเนี่ยเห็นอยู่อีกไม่รู้จะพูด แต่มันไม่ได้แก้ปัญหามนุษยชาติได้เลยมันไม่ได้แก้ปัญหามนุษยชาติได้เลยถ้าไม่มาหัน มาทํางานด้านนี้ก็เห็นว่ามันทั้งโนนมันไม่ถูกอ่าไม่ใช่ว่าอาตมาไม่ เพราะว่ามันเป็นหลงไหลได้ปลื้มกันในความรู้ มันก็ยิ่งร้ายยิ่งร้ายยิ่งเลวกันอยู่อย่างนั้นน่ะเพราะจะให้เค้าเป็น เมื่อเขาไม่ให้คุณต้องค้นคว้าเอาเองแสวงหาเอาเองนะคุณก็ต้องกระทำ ผู้ใหญ่ก็ฝึกหัดอบรมเด็กครูบาอาจารย์ก็ฝึกหัดอบรม ว่าตัวเองว่าอาตมาก็เป็นผู้ฝึกบุรุษที่ มันได้ดีแล้วกับผู้หญิงผยองมาณๆนานาๆล่ะเราได้ความ โลกุตระธรรมบ้างขึ้นมาเป็นสัจธรรมขึ้นมาบ้างเราก็ได้จริงๆแต่ได้ ทั้งโลกนี่เค้าไม่รู้ตัวเค้าถึงเป็นอย่าง มันจะเจริญหลงหลงได้ง่ายง่ายๆง่ายๆอ่ะแม้ไม่มีคนเชิดเรื่องเหล่านี้มันซับ เทวะมนุษสานังเนี่ยอ่าเป็น เทวดาไม่จะไปอยู่ที่โลกอะไรก็นั่งหลับตาแล้วก็มาๆนานาเนี่ยฮะตลกมีจะว่ามีจริงๆนะเขียนบรรยายไว้ในใครอ่านบ้าง อย่างนั้นน่ะไปสอนเทวดาอัตตมาก็สอนเทวดาแต่อัตตมาไม่สอนเทวดาอย่างนั้นหรอกอัตตมาก็สอนเทวดาอย่างอัตตมานี่แหละน่ะบรรยายไว้เดี๋ยวเราเค้าลอยมาสุภาพ แหมถ่ายเป็นวิดีโอออกมาดูก็คงสนุกดีเหมือนกันยิ่งก็เอ่อลูกศิษย์ของเณขเสียนเขินๆง่ายๆซึ่ง มนุษย์สอจิตสูงขึ้นในระดับ มันยิ่งกว่าคนละโลกไปให้ศาสตราจารย์มาสอนเทวดามนุษย์ให้เทวดาที่ เดี๋ยวตีลังกาลงมาไม่ได้เป็นเทวดาได้แป้นได้ฐานที่แท้จริงอะไรนักหรอกแค่เทวดาขึ้นม้ากระเดื่องแล้วถูกยกขึ้นไป อุบัติจนกระทั่งอุบัติจริงจะเป็นเทพที่แท้จริงเป็นจริงมาจนกระทั่งๆพระพุทธเจ้าท่าน แต่พวกเรานี่ฟังนี่พอเข้าใจกันมั่งมั้ยเล่านี่สอนเทวดาได้พิสูจน์กันได้ยืนยันกันได้ว่าเทวดาคืออะไรจิตวิญญาณที่มันเจริญขึ้น สัมผัสได้รู้ได้มีหลักฐาน นี่เป็นพุทธคุณเป็นพุทธภาวะสติที่เราจะต้องรู้ให้ถูกเป็นสมาธิฐิแล้วถึงจะทําถูกและทําได้จริงอ่าใครจะเข้าใจ เทวดาเนี่ยข้างในพบในๆเราๆแล้วเราก็ฝึกฝนทางในนี่แหละเนี่ยเราอบรมฝึกฝน ถ้าจะจะไปเลื่อน ได้มากน้อยตามแต่สถานะฐานะ ความสอนเทวดาสมมุติเทวดาให้ นะสอนสมุติเทพเอาไปเป็นอุปปติเทพให้ได้นี่สิยากนี่น่ะความหมายจริงที่ชัดเจนไอ้ไปสอนคนที่มันตกทุกข์ได้ยากๆนะ เขาก็หลง